ในพุทธประวัติเนาะบางทีเราอาจจะเคยได้อ่านหรือเคยศึกษาเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านออกออกบวชเพราะว่าเห็นเห็นเทวทูตสี่ประการก็คือว่าเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนะแล้วก็เห็นสมณะ ผมเองหรือว่าตมามัย ก, ก็เคยพูดหลายครั้งอยู่ว่ามันจะเป็นไปได้จริงเหรอที่ว่าพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธนะัตถะมีอายุถึงยี่สิบเก้าปีแต่ไม่เคยรู้จักความแก่ความเจ็บหรือว่าความตาย ไม่ว่าจะเป็นจากการเห็นคนที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือว่าที่จริงแม้แต่เรื่องที่ท่านได้เรียนนะเรียนมาจนจบสิบแปดวิชาสนะิบแปดศาสตร์มันจะไม่มีศาสตร์ใดแต่ที่พูดถึงความแก่ความเจ็บความตายนะนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ขนาด น, นั้นนะเพราะว่า ท่านเป็นเรียนวิชาการต่อสู้การนักรบยิงธนูหรือว่าไม่แต่เรื่องนะวิชาเกี่ยวกับนะพระเวทเนาะมันก็ต้องมีการกล่าวถึงเรื่องความตายเนาะแต่มันอาจจะเป็นไปมันอาจจะเป็นเพียงแค่เรียกว่าการเปรียบเทียบหรือเปล่าว่าที่เหตุที่ท่านออกบวชที่จริงก็คือว่า ถึงข่าวนั้นแหละท่านได้ตระหนักตระหนักถึงจริงๆว่าความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์เนาะมันเป็นทุกข์ทั้งกับคนที่แก่เองเจ็บเองหรือว่าตายเองรวมทั้งก็เป็นทุกข์สําหรับคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือว่าคนที่รักใคร่เกี่ยวข้องกันนะ ท่านอาจจะเพิ่งได้การหนักว่าเหตุพวกนี้เนาะมันเป็นเหตุทําให้คนส่วนใหญ่นะหรือว่าแทบจะทั้งหมดหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนะนะเป็นทุกข์กันเพราะว่านะหนีไม่พ้นวัฏสงสารนี้ก็คือความแก่ความเจ็บความตายเนาะแล้วก็ยิ่งถ้ายังไม่หมดกรรมอีกก็ต้องกลับมาเกิดอีกนะแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ ไม่มีใครหนีพ้นความตายได้อันนี้เป็นเป็นวงจรชีวิตของของทุกสรรพชีวิตเนาะที่ยังไม่ไม่พ้นนะจากอำนาจของของมาร น, นะนี่น่าจะเป็นเหตุที่สำคัญกว่าที่พระองค์ท่านตรัสว่าให้ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจเนาะนะสานะหรับผู้คนหลายๆายคน ช่วนี้เองผมเองหรืออาตมาเองก็เกี่ยวข้องกับเนะี่ยพวกคนโดยเฉพาะคนแก่คนเจ็บนะหรือคนใกล้จะตายเนี่ยเยอะเหมือนกันนะได้มีโอกาสไปทำโครงการเรียกว่าดูแลผู้ป่วยนะแบบประครับประคองนะกับกับทีมหมอทีมพยาบาลที่โรงพยาบาลอุตรดิตนะก็เลยมีโอกาสเยี่ยมคนไข้นะในอาการที่ ต้องดูแลแบบประคับประคองก็เยอะนะเพราะว่าเห็นเลยหลายคนนี่อยู่ในสภาพใส่ท่อช่วยหายใจทางปากนะบางคนก็เจาะคอนใส่ท่อช่วยหายใจทางคอนะหรือบางคนก็ป่วยเรื้อรังมาหลายเดือนแล้วนะหรือว่านอนอยู่โรงพยาบาลเป็นปีแล้วก็มี หรือบางคนเรียกว่าขาดออกซิเจนนะตั้งแต่แรกเกิดนะสภาพก็เรียกว่าก็พิการตั้งแต่เกิดก็มีนะก็ซ้ำาย ต, ตอนนี้ก็มาติดเชื้อนะต้องมารักษานะเชื้อในโร ง, งพยาบาลเองก็มีนะก็ได้ไปเห็นนะ ได้ไปเห็นสภาพผู้ป่วยหนักๆนี่เยอะมากนะในในตามโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนหนึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มีความทุกข์ใจนะทุกข์ใจด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่ที่ตัวเองกำลังป่วยอยู่นะพราอยากจะหายหรือว่าอยากจะออกจากโรงพยาบาลเสทีรวมทั้ง อีกหลายคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติะเป็นลูกเป็นหลานก็มีสภาพไม่ค่อยต่างจากผู้ป่วยก็คือสภาพความทุกข์ใจนะนถะือว่าความกังวลใจที่ในเรื่องอาการโาครคภัยไข้เจ็บของญาติพี่น้องของเขามานะเป็นความทุกข์แม้แต่หมอหรือพยาบาลที่ต้องเกี่ยวข้องบางทีเกี่ยวข้องกับ คนทุกข์หรือว่าคนเครียดมากๆากนะบางทีก็มีสภาพความหดหู่หรือว่าเหนื่อยล้าเนาะแม้แต่ตัวผมเองแบบคนใกล้ชิดบางอย่างแม่ก็ป่วยมาเป็นปีกว่าแล้วนะก็ดูแลมาตอนเนื้อหรือว่าย่าก็เป็นอมตพฤกเนี่ยก็เห็นตั้งแต่เขาเริ่มเป็นจนตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างหรือแม้แต่การได้ดูแล หลวงพ่อตั้งแต่ปีของพันทั้งร้อยสี่สิบเก้าตั้งแต่ท่านเป็นมะเร็งครั้งแรกแล้วก็ต่อโดยการได้ดูแลพระอาจารย์ฉัดนะท่านก็ตกหลังคาจะเป็นเรียกว่าสมองหายไปหลายเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่ช่วยตัวเองไม่ได้จนกทั่งตอนนี้ท่านก็ช่วยตัวเองได้ดีขึ้นนะ รู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะพอเราได้คุกคีหรือว่าเราได้เกี่ยวข้องอืถ้าเราฝึกจิตฝึกใจนในทางธรรมะเนี่ยการเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เราได้เรียนรู้นได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมพวกนี้เยอะมากนมันเป็นมันเป็นสภาวะที่เรียกว่า สังเวชเนาะหรือว่าสังเวชะนะแต่สังเวชไม่ใช่ความหมายแบบภาษาไทยนะภาษาไทยเราใช้คาว่าสังเวชแปลว่าแบบความหดหู่หรือว่าความมันคล้ายๆเศร้าหมองอะไรแบบนั้นนะมันหดหู่มันไม่เจริญใจนะแต่จริงสั ง, สงเวชะนะในภาษาบาลีนะพระพุทธองค์ท่านแปลไว้มาคือสภาวะที่ทำให้เกิดความเรียกว่า ทำให้เป็นเครื่องตระหนักนะหรือระลึกรู้นะเพื่อจะได้ไม่ประมาทอันนี้คือสั่งเวชะเวลาเราเกี่ยวข้องหรือเราเห็นคนคนแก่ก็ดีคนเจ็บก็ดีคนตายก็ดีเนี่ยถ้าเรามีสตินะเราจะเกิดความระลึกนะในการที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต เพราะว่าเราจะเห็นว่าถ้าชีวิตเราประมาทหรือบางทีก็ไม่ได้ประมาทแบบตั้งใจนะแต่เราก็อาจจะกลายเป็นผู้แก่ผู้เจ็บผู้ตายแบบนั้นก็ได้นะมันอย่างเหตุการณ์ในเมืองไทยเนาะในเมื่อเร็วๆนี้เนาะมีเหตุการณ์ระเบิดที่หน้าหน้าศาลพระพมก็ดีซึ่งคนก็ไม่คิดว่าสถานที่สาลพระแบบนั้นจะจะถูกระเบิด หรือแม้แต่ในเมืองจีนเมื่อเร็วๆนี้นะโรงงานโรงงานเคมีก็ระเบิดนะคนตายหลายร้อยคนนะไอสภาพพวกนี้มันเมื่อเราได้เห็นข่าวนะมันเกิดสัเวชะก็คือความความระลึกถึงความเป็นธรรมชาติของของชีวิตนะที่ทุกคน อยู่ในสภาวะของความไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงคือมันไม่รู้ว่ามันจะเกิดการแตกดับเมื่อไรถ้าเรามองย้อนดีๆก็ไม่ใช่แต่ชีวิตของเขาของคนอื่นชีวิตของเราเองเนี่ยแ่ะก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกข์ตกอยู่ในความบังคับบัญชากำหนดหรือว่าไม่สามารถทรพยากร ดวงหน้าได้เนาะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะในวันนี้หรือว่าวันต่อๆไปเนะี่ยถ้าพวกเราตระหนักถึงชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะแล้วก็จะไปมองแต่ว่ามันเป็นชีวิตของคนอื่นนะที่เขาเป็นเช่นนั้นแต่ให้ตระหนักว่าชีวิตของเราเองก็ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้นะไม่เร็วหรือ ไม่ช้าก็เร็วนี่แหล ะ, ะเราก็จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหรือแม้แต่อย่างพระพุทธเจ้านะก็เรียกว่าเชิญชวนหรือว่ากล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดเนะาะจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนาะก็มีสถานที่นะที่สำคัญสี่ที่นะคือสถานที่ประสูตมสถานที่ตัดสู้สถานที่แสดงธรรมครั้งแรก แล้วก็สถานที่ปรินิพานของพระพุทธองค์รีกว่าเป็นสังเวชนียสถานเนาะเป็นสถานที่ที่ทำให้ได้ระลึกถึงนะถึงพระพุทธองค์นะว่าที่พราที่จริงมันก็มีปิิศนาธรรมซ่อนอยู่ตรงนั้นก็คือว่าพระพุทธองค์นะแม้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในโลกแล้ว ท่านก็ยังหนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นเรื่องของความตายใช่ไหมฮะท่านก็ยังประลิพนิพานดับขันไปนะไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะวิเศษนะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะท่านแสดงให้โลกเห็นว่าร่างกายของท่านกับร่างกายของคนอื่นหรือของสรรพชีวิต ก็ไม่ต่างกันนะเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านแสดงให้เห็นว่าแต่ถ้ามีการเข้าใจธรรมะนะหรือว่าได้ฟังธรรมนะเราสามารถที่จะถือกว่าทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคสูญเสียนะความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจ หรือว่าปราถนาสิ่งใดไม่ได้สิงนั้นเน่ยไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนส่วนใหญ่เขาทุกข์นะแต่ถ้าเรามีธรรมะนะมันจะทุกข์น้อยลงหรือว่าไม่ทุกข์เลยก็ได้อย่างได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยอย่างที่ว่านอกจากไปเยี่ยมให้กำลังใจนะแต่ในหลายๆคนเราก็ได้สอนเขาในเรื่องการเจริญสติเนาะ เช่นพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำหรือว่ากำมือแบมือนะหรือบางคนอาจจะเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้นะก็ให้เขาระลึกถึงพุทโธในใจนะพุทโธในใจให้เขาให้เขาว่าในใจนะหรือว่าสวดมนแลระลึกถึงบทสวดมนง่ายๆก็ได้ มีคนไข้คนนึงเป็นเหมือนน่าจะเป็นมาด้วยสภาวะักไข้เลือดออกัแล้วก็มีการติดเชื้อแล้วก็มีปัญหาโรคไตมีหลายอย่างมากน่ะที่ไปเยี่ยมเตียงอื่นก็เห็นเขานอนร้องนะนอนร้องแบบร้องโอ้ยโอ้ยอะไรประมาณแบบเจ็บปวดทรมานมากแล้วก็ได้ไปเยี่ยมเขา ก็เขาก็ทรมานมือแขนก็ถูกมัดเพราะว่ากลัวจะไปดึงสายก็ก็พาเขาสวดมนตน์สักพักหนึ่งแล้วก็ให้เขาระลึกถึงพุโทโธในใจนะก็เห็นแบบปฏิหารของธรรมะนะแบบตอนแรกก็ร้องร้องแบบด้วยความเจ็บปวดนะไปทางวอด ตอนหลังก็เปลี่ยนจากร้องโอ้ยโอ้ยเป็นร้องพแบบุโทโธพุทโธนะแต่ก็เห็นน้ำเสียงก็เหมือนก็ยังแฝงความเหนื่อยนะเพราะว่าแบบก็ยังต้องคอบท่อหายใจแต่แบบตอนแรกก็ร้องแบบแบบขาดสตินะตอนหลังก็ตั้งใจเอาพุโทโธมาเป็นตัวสติระลึกในใจนะก็ร้องพุโทโธพุโทโธในใจ ก็เห็นเลยว่ามันเขาก็สงบขึ้นนะแม้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อานุภาพของพุทโธก็ก็ช่วยให้เขาอยู่กับทุกขเวทนาได้ได้มากขึ้นญนะาติอยู่ตรงนั้นหรือหมอพยาบาลที่ได้ร่วมดูด้วยก็ก็รู้สึกรู้สึกประทับใจนะหรือมีคนไข้บางคนเนะ่พอเห็นพระไปเยี่ยมก็แบบ ดีใจนะร้องไห้เนะี่ยเพราะเขาก็ทรมานทั้งกายแล้วก็ทรมานทั้งใจนอะกจากดีใจแล้วพอไปสอนเขาอย่างเช่นพลิกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวนะเขาสามารถยิ้มได้นะจากที่แบบนอนอมทุกข์นะแค่พลิกมือสร้างจังหวะรู้สึกตัวไม่นานนะ ใจเขาก็เกิดความปิติเกิดความยิ้มขึ้นมานะเป็นความสุขเป็นความสุขใจหรือว่าสงบใจมากขึ้นก็ก็มีหลายเขตนะที่ที่สามารถทําเช่นนี้ได้นะมันก็ก็เลยรู้สึกว่าอา น, นิสงค์ของธรรมะเนี่ยมันมันมีมากเนาะเพราะนั้นพวกเราเองทุกคนนะก็ ก็ฝากไว้ว่าอย่าได้หรือว่าอย่าได้ประมาทในการใช้ชีวิตเนาะเราใช้ชีวิตในการที่ไม่ทําความชั่วนะแล้วก็ใช้ชีวิตในการทําความดีแต่ก็ต้องทําอย่างไม่ประมาทนะไม่ใชนะ่ก็คือว่าบางทีเราก็อย่าไปคิดว่าชีวิตนี้เราไม่ได้ทําชั่วอะไรหรือทําชั่วไม่มาก ชีวิตนี้เราก็ทำความดีไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ก็อย่าประมาทว่าเพราะว่าชีวิตมันก็เป็นของไม่แน่นอนนะ่ะเราไม่รู้ว่าความเจ็บความตายจะมาเยือนเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเกิดเข้ามาในชีวิตนะของเราหรือเปล่านะ นั้นแม้เราไม่ทำความชั่วโดยแล้ว เ, เทาตั้งใจทำความดีแต่เราก็ทำด้วยความไม่ประมาทก็คือว่าอะไรจะเกิดขึ้นมากับชีวิตของเราเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้เนาะแล้วก็เอาสิ่งต่างๆพวกนั้นแหละมาเป็นบทเรียนนะมาเป็นบทเรียนเพราะที่จริงทุกทุกเหตุการณ์ทุกประสบการณ์เนะี่ย มันมีค่านะถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้นะเรียนรู้ทำให้เราเกิดสติปัญญานะแล้วก็มองชีวิตอย่างเข้าใจมากขึ้นยังได้อ่านเรื่องราวของคุณหมอคนหนึ่งนะเป็นหมอที่ก็ตั้งใจทำงานดูแลผู้ป่วยนะในโรงพยาบาลประจำอำอเภอแห่งหนึ่งในภาคเหนือ ก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งท่านก็อยู่เวรแล้วก็มีมีคนป่วยที่ก็อายุมีมีคนที่เจ็บท้องจากคลอดนะแต่เขาก็อายุมากหน่อยสามสิบกว่าปนะีก็ถือว่ามีคันตอนที่อายุมากพอสมควรก็มีความเสี่ยงนะแต่ก่อนนั้นนั้นก็ในกระบวนการตรวจเช็คก็ไม่ได้มีความไม่ได้เกิดความผิดปกติอะไรขึ้นมา แต่พอวันที่คลอดปรากฏว่าเกิดสภาวะน้ำข้างมันมันแตกแล้วก็ไปเข้ากระแสะเลือดเนาะซึ่งจนทั้งคุณหมอพยาบาลนี่ก็ช่วยจนสุดชีวิตแหละแต่แต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเขาได้สุดท้ายหมอคนนี้ก็โดนญาติส่วนหนึ่งฟ้องนะฟ้องทั้งคดีอาญานะแล้วก็คดีแพ่งเลย ในฐานที่เหมือนคล้ายๆร้องในเชียงว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรประมาณนะี้ในกระบวนการที่หมอคนนี้เขาต่อสู้เนะ่ยเขาก็แบบมันเกิดเขาก็แสดงสภาวะให้เห็นว่าข้างในตัวเองมันตีกันนะทั้งฝ่ายฝ่ายบวกกับฝ่ายลบนะหรือฝ่ายขาวฝ่ายดำเนะี่ยมันตีกันมากเนะ่ ใจหนึ่งก็ไม่พอใจไม่พอใจคนที่ฟอกหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นจากญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตก็ดีหรือว่าแม้แต่คนใกล้ชิดก็ดีหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องในการทำงานด้วยกันก็ดีมันก็มีสภาวะที่ที่ก็มีคำพูดหรือปรติกิยาที่ทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ใจนะแต่ก็มีหลายด้านที่ก็ดีนะ ทงด้านในแล้วก็ด้านนอกนะมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ลบนะหรือว่าปฏิยาจากข้างนอกก็มีทั้งบวกแล้วก็ลบนะแต่สุดท้ายพอเขาอยู่กับคดีแล้วก็เรียนรู้นะเรียนรู้จากปรับตัวเองนะเขาปกเหมือนเขาสรุปได้ว่าประมาณว่ารู้สึกโชคดีที่ถูกฟ้องเออ บางคนอาจจะคิดว่าเป็นโชคดีเองที่ถูกฟ้องนะซึ่งมันกระบวนการทางกฎหมายนี่มันยุ่งมากนแต่เขารู้สึกว่าเขาโชคดีเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านั้นเขาเพิ่งมาตระหนักว่าเขาก็เป็นเพียงแค่หมอรักษาไข้นหรือว่ารักษาอาการป่วยจนบางทีก็ดืมดืมมองคนไข้ในฐานะบุคคลเนาะมองแต่สภาวะที่เป็น โรคภัยไข้เจ็บของเขาก็รักษาแค่โรคภัยไข้เจ็บแต่พอมีเรื่องเหตุการณ์นี้มันทาให้เขาได้เข้าใจชีวิตของตัวเองแล้วก็เข้าใจชีวิตของคนอื่นอไม่ว่าจะเป็นคนป่วยเองก็ดีหรือญาติพี่น้องเองก็ดีจะเรียกว่าจริงคือเข้าใจความทุกข์นี่แหละมองเห็นว่าเราเองก็ทุกข์ ญาพี่น้อ ง, องคนพนที่เสียชีวิตก็ทุกหรือว่ารายคนเขาก็ทุกนะเหมือนคล้ยคล้ายมอว่เมื่อว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกแต่คนทีกิเลสเนี่ยแหละมันมันมักจะดอกล่อให้พวกเราที่เป็นทุกข์ร่วมกันเนี่ยมาซ้ําเติมกันนะหรือว่ามาเบียดเบียนกันให้มันทุกข์หนักขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าฝ่ายกุศลเนี่ยมันจะรู้จักนะสแสดงเมตตาสแสดงความให้อภัย แสดงความไม่ไม่ถือสาหาความกันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเบาใจสบายใจมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่แต่ละคนแต่ละท่านก็อาจจะเจอแตกต่างกันแต่ถ้าเรามองดูดีๆชีวิตของเราเองนะถ้าเราถือว่า แบบเรียนหรือว่าบททดสอบที่จะเรียกว่าธรรมะจัดสรรเนาะภาษาภาษาพุทธเรียกว่าธรรมะจัดสรร น, นะแต่ถ้าแบบเป็นภาษาคิดก็อาจจะพูดว่าเหมือนเป็นแบบเรียนจากพระเจ้านะเป็นบทพิสูจน์นะแต่ถ้ามองจริงๆริผมว่ามันก็คล้ายกันนะถ้าแบบเรียนไหนที่ธรรมะจัดสรรให้กับเราในการเกี่ยวข้องกับชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยาก ความลำบากหรือปัญหาหรืออุปสรรคหรือว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายที่เกิดขึ้นกับเราเองหรือว่ากับคนรอบข้างเราเองเพรคะนั้นถ้าเรามองดีๆนะมันคือมันคือสังเบชะนะก็คือความที่ให้เราระลึกถึงความไม่ประมาทในชีวิตนะเราก็จะได้นะมันหรือว่ามีความเพียรในการที่จะนะ ทำสิ่งที่ดีๆนะด้วยจิตที่ไม่ประมาทนะหรือว่าจะเรียกง่ายๆก็คือการไม่ประมาทก็คือการมีสตินั่นแหล ะ, ะทําชีวิตอย่างมีสตินะไม่ไปมวนคิดถึงอดีตแล้วก็ไม่ไปพะวงถึงอานาคตมันมีนิทานเซนอยู่เรื่องหนึ่งนะเขาบอกมีชายคนนึ่งนะกำลังวิ่งหนีเสือ วิ่งหนีเสือเขาก็วิ่งหนีเสือไปในหุบวิ่งลงไปในหุบเขาก็เกาะกิ่งเถาวันไว้อยู่กิ่งหนึ่งเสือตัวหนึ่งอยู่ข้างบนปรากฏว่าหุบเขาที่เขาจะลงไปข้างล่างก็มีเสืออีกตัวหนึ่งรออยู่ข้างล่างปรากฏว่ากิ่งที่เขากำลังเกาะอยู่นั้นมันกลายเป็นเป็นเครือเครืออมุ่น เขากาลังเห็นอมุนนะกำลังออกลูกนะสุกน่าอร่อยนะขนาดนั้นเขาก็ก็เลยเอื้อมมือไปเด็ดลูกอมุนะมากินเขาสึกว่ออาอมุนนี้อร่อยมากมีความสุขใจนี่แหละนิทานก็จบแค่นี้นะ <c ười> คืออะไร เสือตัวแรกที่ไล่เข้ามาเนี่ยคือเรื่องของอดีตเสือที่อยู่ข้างล่างที่เขายังไปไม่ถึงก็คือเรื่องของอนาคตแต่พวงองุ่นที่อยู่ตอนหน้าเขาเนี่ยคือปัจจุบันเขาเลือกที่จะสัมผัสกับความสุขในปัจจุบันหรือว่าอไม่ไปจิตไม่ไปกางวนถึงอดีตหรืออนาคตก็ได้สามารถที่จะสัมผัสความ ความอร่อยนะหรือว่าความสุขจากการได้กินองุ่นตรงนั้นนะชีวิตเราก็เหมือนกันนะบางทีก็อาจจะเจออะไรก็แล้วแต่ให้เราสามารถสัมผัสมุมที่ทำให้เราเกิดความสุขใจหรือว่าเกิดความนะช่ำชื่นเบิกบานหรือแม้เราจะเรียนรู้นะกับปัญหาหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตนะ เราก็ให้เอาสติเอาปัญญาไปใช้ในการเรียนรู้นะอันนั้นแหละก็จะเป็นบทเรียนกรรมฐานนะที่ธรรมะจะสั่นให้กับเราเนาะนะนะแล้วก็จะได้ปัญญานะจากสภาวะพวกนั้นแหละนะเหมือนอย่างคุณหมอคนนี้ก็บอกว่าเขารู้สึกอนะโชคดีที่ที่ถูกฟ้องนะ หรืแม้แต่มีคนไข้หลายคนเขาก็รู้สึกว่าโชคดีนะที่เขาได้ป่วยนะหรือว่าโชคดีที่เขาได้เป็นมะเร็งหรือแม้แต่ตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์นะตอนอายุประมาณสิบเจ็ดนะเคยประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลเดือน ก, กว่าได้มันะต้องพักฟื้นอีกหลายเดือนแต่ก็รู้สึกก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตตัวเองที่สําคัญ เหมือนกันเพราะว่ามันรู้สึกว่าเราได้ได้เห็นมุมความรักความอบอุ่นของพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องรวงทั้งคนที่ห่วงเรามาคืนเพิ่งจริ ง, ง, งก่อนนั้นนั้นเราอาจจะไม่ไม่เห็นคุณค่าหรือว่าเราคิดว่าเขาไม่รักเราขนาดนั้นมันก็เป็นความโชคดีในความโชคร้ายเนาะโชคร้ายที่เจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บ แต่ก็โชคดีที่ไ ด, ได้ได้เห็นมุมที่ทําให้เราเกิดความสุขใจนะในชีวิตนั้นทุกๆอย่างมันก็เป็นเรียนสองด้านทั้งนั้นแหละนะแล้วแต่ว่าเราจะมองอย่างไรนะแต่ถ้าคนที่มีสติปัญญาจะมองในการเรียนรู้นะแล้วก็มันจะเกิดประโยชน์นะแล้วยิ่งถ้าเราเรียนรู้จนทั้งสามารถเห็นถึงความ เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะว่ามันตั้งอยู่ในสภาวะความเป็นทุกขนะ์เป็นทุกข์คือมันไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาวะเดิมได้นะมันมีความที่ต้องนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรืออย่างอื่นก็เหมือนกันและทุกอย่างถ้าเราเข้าใจมันไม่ใช่เรื่องของ มันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นนะกรรมในฐานะที่เรียกว่าเป็นเหตุแล้วก็ปัจจัยเนาะเป็นปัจจัยนี่ปัจจัยนะ่ะคือกรรมนะนะเหตุปัจจัยที่เราเคยทํามาก่อนและเหตุปัจจัยที่เรากาลังทําในปัจจุบันนะั่นแหละนะคือมันส่งผลนะแต่กรรม ที่มันส่งผลจากอดีตนะ่ยที่เรียกว่าวิบากกรรมเนาะมันก็ส่งผลได้เฉพาะกายหรือว่าสิ่งภายนอกเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเรามีกรรมฐานถ้าเรามีการภาวนานะมันจะลงไม่ถึงใจนะกายแก่กายเจ็บกายตายมันก็เป็นเรื่องของกายแต่ใจไม่เป็นอะไรกับมันก็ได้นะมีปัญหากับชีวิตมากมาย แต่ใจก็สามารถมีสติปัญญามองว่าปัญหาก็ส่วนหนึ่งความทุกข์ใจก็ส่วนหนึ่งไม่เอาใจไปเป็นผู้ทุกข์เอาสติปัญญาไปแก้ปัญหาแม้แก้ยังไม่เสร็จก็วางได้ใ น, ในทุกขณะเนะ่เราก็จะอยู่กับปัญหาได้อย่างไม่ทุกข์ใจอันนี้แหละคือทางที่สำคัญนะที่พระพุทธเจ้าท่านท่านเห็นว่าอย่างที่ว่าตอนแรกละ ถ้าเห็นความคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ท่านก็คิดว่าน่าจะมีทางหนึ่งคื อ, คอทางของสมณะนะส ม, สมณะสมณะอาจจะอย่าไปแปลว่าแค่การออกบวชนะสมณะคือผู้ที่เรียกว่าตั้งใจที่จะเข้าถึงถึงความสุขความสงบที่แท้จริงมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นสมณะที่เป็นนัก บ, บวช นะก็ดีหรือแม้แต่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะที่เป็นคาราวาะก็ดีนะเราสามารถเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าสมณะก็คือความรู้สึกสงบหรือว่าพอใจนะมีความสุขใจไม่ทุกข์ใจตอนนี้แหละคือสภาวะที่มันจะทำให้เราพ้นจากความทุกข์นะได้โดยสิ้นเชิงเนาะก็ฝากพวกเราไว้ในชาววันนี้